ถามกิเลสมีกำเนิดพร้อมกับชีวิตหรือไม่ถ้าไม่ทำไมคนที่เกิดจึงมีกิเลสได้มันมีมาในรูปของศักยภาพมากกว่าบางทีเราเอาความคิดความรู้สึกและประสบการณ์เฉพาะ อ, อย่างเฉพาะ อ, อย่างของเราไปจับก็ไม่ตรงกันหรือมองไม่ทั่วถึงแม้แต่สิ่งสามัญเลือกเกินบางอย่างในโลกนี้ เราก็ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของมันสำหรับเรื่องนี้อาจจะใช้วิธีเปรียบเทียบให้พอมองเห็นเขาเหมือนอย่างเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติว่าเป็นต้นมะม่วงเพิ่งจะโตขึ้นมายังไม่มีลูกแล้วเราก็พูดกันว่าต้นมะม่วงต้นนี้ต่อไปจะมีดอกมีลูกคือเหมือนกับว่ามันมีดอกมีลูกอยู่แต่ยังไม่ปรากฏออกมา ขณะนี้เรายังไม่เห็นดอกหรือลูกเหล่านั้นแล้วตอนนี้มันไปแอบอยู่ที่ไหนเราก็หาไม่พบแต่มันมีพอถึงฤ ด, ดูก็จะปรากฏออกมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าใช้ศัพท์เทียบเคียงก็อาจจะเรียกว่าศักยภาพทีนี้ในเรื่องกิเลสของมนุษย์มันมีตัวมูลอยู่ตัวมูลก็คือโลภะโทสะโมหะ แล้วสืบสาวลงไปอีกก็มีอวิชชาภายในอวิชชานี่ก็มีสักยภาพให้กิเลสทั้งหลายปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆจะถือว่าเป็นการสแสดงตัวของอวิชชาก็ได้และมันก็มีเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นไปได้มากมายเหลือเกินไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่ว่ากิเลสพันหหมายความว่ากิเลสมากมายเหลือเกิน พูดเท่าไรก็ไม่ครบเลยใช้คำว่ากิเลสพันหาแต่จะไปหาตัวจริงให้ครบก็ไม่เคยพบรายชื่อเต็มสักทีมีแต่ในคำผีชั้นหลังที่ตั้งเกณฑ์คานวณไวอัตมาเคยค้อนอธกาาดูว่ากิเลสพันหามีบัญชีไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ครบท่านยกตัวอย่างมา3า0สี่ร้อยตัวเท่านั้นเองคำผีชั้นหลังจึงมาแจกแจงให้เต็ม เอาตามหลักถือว่ามันเป็นรูปร่างหรืออาการแสดงออกต่างๆของสภาพอันเดียวกันคือสภาพจิตที่มีอวิชชาคนเราเกิดมาเริ่มต้นก็ยังไม่มีความรู้หรือมีแต่ความไม่รู้เรียกว่ามีอวิชชาแต่การที่จะอยู่รอดด้วยดีในโลกคนจะต้องมีความรู้เมื่อยังไม่มีความรู้ ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายมนุษย์ก็อยู่โดยดิ้นรนไปด้วยแรงขับของภาวะตัณหาคือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากเกิดอยากมีอยู่คงอยู่ตลอดไปเป็นความทยานอยากที่ประกอบด้วยภาวะทิฏฐิหรือสัสตาทิฏฐิความอยากดำรงอยู่อาจแปลว่า Need for Survival หรือบางท่านแปลว่า Life Wish เมื่อดินรนไปอย่างนั้นและมีอวิชชาอยู่เป็นพื้นมนุษย์ออกไปสัมพันธ์กระทบกับประสบการณ์และสถานการณ์ต่างๆความต้องการอยู่รอดบนพื้นฐานของอวิชชานั้นก็จะแสดงตัวออกมาเป็นกิเลสในรูปต่างๆซึ่งมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องปกป้องตัวเองให้อยู่รอดในการปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีปัญญาที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความรู้โดยตรงเราจึงพูดได้ว่า กิเลสเหล่านั้นเป็นสภาวะที่เป็นสักยภาพของจิตอยู่อย่างนั้นซึ่งเกิดขึ้นปรากฏได้ตลอดเวลาและถ้าใครไปสั่งสมอย่างไหนขึ้นก็จะกลายเป็นลักษณะเด่นออกมาในทางนั้นเรียกว่าเป็นการสั่งสมของกิเลสแต่ตัวจริงก็อยู่ที่ตัวมูลของมันซึ่งเป็นแหล่งของสักยภาพอย่างไรก็ตามกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกันกบจิต มันไม่ใช่เป็นเนื้อตัวของจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเราสามารถชำระจิตไม่ให้มีกิเลสได้กิเลสไม่ใช่เป็นเนื้อตัวของจิตแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ต่างหากจากจิตมันเป็นสักยภาพของจิตเมื่อไรเกิดปัญญาขึ้นมาสว่างแจ้งอวิชชาไม่มีสักยภาพนี้หมดไปกิเลสก็หายไปด้วยก็หมดไปด้วยกัน เหมือนเราตัดต้นไม้เราก็พลอยตัดดอกตัดผลไปหมดด้วยดอกผลที่จะมีต่อไปก็ไม่มีในเวลาที่เราตัดต้นไม้นั้นยังไม่มีดอกไม่มีผลแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าแล้วดอกผลที่จะมีอาจจะเป็นมะม่วงอีกพันผลหมื่นผลดอกผลเหล่านั้นก็เหมือนกับได้ถูกเราตัดทิ้งไปด้วยเรื่องนี้ ถ้าเอามาคิดในกรณีพิาพาทระหว่างคนคงจะยุ่งคุณมาตัดต้นไม้ต้นนี้ก็เท่ากับว่าคุณมาลักผลไม้ลูกมะม่วงของฉันไปมือนลูกเพราะฉะนั้นฉันขอคิดราคาค่าเสียหายเท่ากับลูกมะม่วงหมือนลูกอะไรทำนองนี้ถามเรื่องกิเลสกับอากุศลละเจตสิกเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า เป็นอันเดียวกันเป็นพวกเจตสิกคืออาการหรือคุณสมบัติต่างๆของจิต